50 languages. สี่สทีไหนย่งเสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะสุดทีลปยัอลุบกกย่งริกรด คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะอุงกาลิดัมน agara วารีปัตตม์อิริกิรดาจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะยิงก์โอร์อารีมุนพดิวุสเซียยะมูดิยุมเมืองเก่าอยู่ที่ไหนปารายาน agara ม์ยิงก์อิริกิรด์วิหารอยู่ที่ไหน ขัติเดรลยังไงอีรักกีรดุพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหนอรุณโคตรชิยกมยังไงอีรักกีรดุซื้อสแตม์ได้ที่ไหนทบอลตะลัยแสตม์ยังไงวังเวนดุม um. ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนผู oo, ้ยังวังเวนดุม ซื้อตั๋วได้ที่ไหน t i c k ตเยังเกวองเวนดุมท่าเรืออยู่ที่ไหนตุ u r i n g Mugam ยังไงยิร ก, กิระดตลาดอยู่ที่ไหน Market Sunday ย, ยังไงยิริ ก, กิระดปราสาทยอยู่ที่ไหนอ r a n m a n எங்கு இ ர ுง் க ி ற த ு ก, การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่สุดทุลเลยเย็บปูดด้วยอารมิกมการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่สุดทุลเละเย็บปูดด้วยมุดยุก่การพาเที่ยวชมใช้เวลา น, านานเท่าไหร่สุดทุลเละเย็บปูวยนอริเกย์ยิ่ ดิฉันต้องการมาคุเทศที่พูดภาษายเยอรมอนันเยนกเยอรม انيا มุรีเปสมุมโวล์ุตุลาบริกอตตเวนดุ่มดิฉันต้องการมาคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียนเยนกอิตาเลียมุรีเปสมุมโวล์ุตุลาบริกอตตเวนดุมดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศส எனக்கு ஃபிஞ்சு மொழி பேசும் ஒரு சுற்றுலா வழிகாட்டி வேண்டும்.